มาเช้าๆอย่างนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของท่านทั้งหลายให้ก่อเกิดบุญกุศลให้มากที่สุดบุญก็คือความว่างเปล่า ค่อยกกำจัดความว้าวุ่นใจความที่เราไม่สบายใจมาทั้งวีทั้งวันบุญมันก็เกิดทำความรู้สึกให้เรานั้นมีความรู้สึกสำหรับผู้มีสติในการปฏิบัติเช้าๆอย่างนี้ ในขณะที่เราพักจิตก็คือการนอนหลับเราได้พักจิตคือ ก, การรับรู้ของจิตวิญญาณทางหูทางตาทางอารมณ์ที่ปร่งแต่งมาทั้งวีทั้งวันเช้าๆอย่างนี้ก็คาดว่า นักปฏิบัติทั้งหลายเชื่อว่าอารมณ์ของท่านยังไม่ปรุงแต่งมากนักเพราะจิตได้พักอยู่เมื่อคืนนี้เมื่อจิตมีสภาวะได้พักผ่อนแล้วจิตย่อมไม่ฟุง้งซ่านย่อมมีความสงบ เราไม่เคยมีความสงบเรารู้สึกว่าเราไม่ชินต่อความสงบ ก, การที่เราไม่ชินต่อความสงบจิตที่เคยสแสวงหาอยู่ตลอดเวลาเราก็ค่อยๆมองไปที่ใจของเราเรียกว่าจิตใจ ดับความรู้สึกง่วงให้หมดไปเรา ค, ค่อยมองให้ลึกเข้าไปในใจของเราเรียกว่าดวงจิตของเราใจของเราเนี่ยมีหน้าที่เก็บเขาเรียกว่าเก็บกดทุกเรื่องทุกราวเราเข้าไปเก็บไว้ในใจเรา บางเรื่องเราเก็บแล้วเราก็คลายออกมาบางอย่างเราเก็บแล้วเราก็ไม่คลายออกมาเขาเรียกว่าเก็บกดใจของเราเนี่ยเปรียบสเสมือนบ่อขยะอะไรที่กินแล้วใช้แล้วที่เหลือแล้วเน่าแล้วบดแล้ว ก็ เ, เอามาโถมไว้ที่ใจเรานักปฏิบัติทั้งหลายท่านลองค่อยๆมองเข้าไปในใจมีความรู้สึกเข้าใจตัวเองในขณะนี้เรียกว่าเป็นการฝึกสติสติก็คือความรู้ตัวเจ้าๆอย่างนี้ ท่านฝึกสติได้ดีเพราะว่าจิตของท่านนั้นยังไม่ค่อยมีขยะทำไมหลวงพ่อใช้คำว่ายังไม่ค่อยมีขยะกองขยะของเรานั้นเราได้ปิดลงเมื่อคืนนี้แล้วเรียกว่าปิดตาปิดหู เมื่อเราปิดตาก็เรียกว่าเรานอนหลับในขณะที่เราหลับเนี่ยจิตมันมีการพักผ่อนพักผ่อนอย่างไรค่อยๆ ค, คิดแลามองปฏใิใจัยเราไว้ยิ้มเข้าไว้การยิ้มไว้ในใจเนี่ยก็คือตัวเมตตาทำให้ใจเราเนี่ยผ่อนร้าแล้วก็ มีความอ่อนโยนขึ้นสภาพจิตที่เราวุ่นวายมาทั้งวันเห็นนั่นก็เก็บเอาไว้ในใจมันอะไรเนอะได้ยินนอนได้ยินนี่ก็เอาเก็บความลังเลสงสัยไว้ที่ใจมันพูดอะไรเนอะมันหมายความว่ายังไงเนอะ ในขณะเช้าเช้าอย่างนี้เราก็ฝึกสติตื่นจากความรู้สึกที่ความเศร้าหมองในใจความผิดหวังความรังเลใจความไม่เข้าใจในการใช้ชีวิตจึงไม่ผ่อนคลายอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านในใจจึงทรมานใจอย่างยิ่ง นักปฏิบัติทั้งหลายความสำเร็จนั้นอยู่ที่ใจเมื่อใจคนเรานั้นมันเก็บความรู้สึกต่างๆนานาความทุกข์เนี่ยก็รรู้สึกที่อยู่ที่ใจความสุขเนี่ยมันก็เกิดขึ้นความรู้สึกอยู่ที่ใจ สมมาสมพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าสุขเนื้อก็ยึดไม่ได้เราปรัจนาความสุขทุกคนแต่ความสุขนั้นไม่ได้เกิดจากตัวตนของตัวเราอย่างแท้จริงทำไมเราคิดว่าอยากให้พ่อแม่เรามีความสุข ทำไมเราไม่สนใจเราในตัวเราที่เรายึดว่าตัวกูของกกอยู่ยึดว่าทำไมเราทำจิตใจให้มันว่างเปล่าปราศ จ, จ, จากความฟุ้งซ่านมวหมองใจพอสุขเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสุขที่แท้จริงของเราเนี่ย ที่เราปรารถนาเนี่ยก็คืออะไรเราค่อยๆมองเข้าไปในใจค่อยๆมีจิตใต้สำนึกนึกว่าอะไรที่มันค้างคาใจเราอยู่รองถามใจดีว่าโอ้โนอสุขที่แท้จริงเนี่ยที่เราปรารถนาทางใจเนี่ย มันคืออะไรรลงพ่อก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าอิสุก ข, ของเราเนี่ยมะม่วงเนี่ยมองเห็นว่ามันแดงเหลืองเนี่ยก็ น, นั่นแหะเรียกว่ามะม่วงสุก ข, ขนุนเนี่ยมันสุกก็มีกลิ่นหอมเรียกว่าขนุนสุกทุเรียนสุกเนี่ยมันก็มีกลิ่นหอม แสดงว่ามันสุขเทวะเท่าผ่าออกมาเนี่ยมันคงทานได้แต่อสุขของมนุษย์เนี่ยมันยากที่จะพรลนาได้สุขมันอยู่ที่ความรู้สึกที่ใจเราลองมองใจของเราดูว่าอะไรที่ทำให้เราสุข ก็คือวางใจแล้วก็ระใจตัดใจนั่นเองอะไรที่ทำให้เราวางใจได้ก็เชื่อว่าสติของเราเนี่ยมีความตั้งใจมีความรู้ตัวในขณะนี้มองเข้าไปในใจยิ้มเขวะว่าโอโ้เนที่เรามีความรู้สึก ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยมันแค่เป็นอารมณ์ปรุงแต่งเท่านั้นหรือนักปฏิบัติทั้งหลายสติคือความรู้ตัวเรานี่ไม่เคยรู้ตัวเองมาก่อนสติขาดจากความเป็นมนุษย์ไปนสนใจหมามั่งแมวมั่งไปนสนใจพี่สนใจน้อง สนใจสามีและภรรยาสนใจบ้านสนใจเมืองความมุ่นหวายสนใจแต่กระดานที่มีรูปภาพที่เป็นในหลวงสนใจแก้วแหวนเงินทองที่เป็นวัตถุแก้วแหวนเงินทองก็คือกวดหินดินทรายเราไปยึดมั่นว่าอันนี้มันเป็นทอง อันนี้มันเป็นเงินทำไมเราไม่ค่อยพิจารณาหาเหตุหาเวลาให้กับใจของเราว่ า, วาโอ้เนาะเราเกิดมาทำไมเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราเนี่ยตั้งมีตั้งแต่รู้ตัวก็คือสติเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเราได้หยุดคิดบ้างหรือเปล่า ได้เคยมองความรู้สึกที่เป็นแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ว่าเราเนี้เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อปรุงแต่งความรักความเกียดความรู้ความไม่รู้เกิดมาจะต้องให้คนอื่นชี้นำมาขัดเกาั่งสอน อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับวัวควายหรือสิงสาลาสัตว์ที่เขาจะต้องสับต้องเขียนต้องตีต้องขัดเกาต้องอบรมต้องบังคับอยู่ตลอดเวลาค่อยๆนึกนว่าโอนวัวควายเนี่ยเขาจะต้องบังคับ เอาเชียกมาร้อยจมูกเอาขอมาสับหัวเอามารากเอามาจงเอามาขี่เอามาทำงานให้กับเราไอ้วัวไอ้ช้างเนี่ยไอ้ควายเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรเลยชีวิตมันรากจงหาทรัพย์สมบัติให้กับมนุษย์เนี่ย หนึ่งชีวิตที่เขาถูกจับเอาไว้จับเอามาเป็นเจ้าของเรียกว่าควายกูวั ว, วกูช้างกูม้ากูเราเอามายึดมาเป็นของเราแล้วก็มาจับจองเอามาใช้สอยเอามาทดแทนเราหนึ่งชีวิตเนี่ยช้างมาวาควายเนี่ย มันเสียเปรียบเรามากเราลมมองนึกสิว่าเราเนี่ยเสียเปรียบการเวลาอย่างมากเราเรียกว่าการการก็หมายถึงว่าต้นไม้เนี่ยที่ถูกบอนใส่มันไม่เจริญเติบโตแล้วก็คือความคิดของเราเนี่ยไปยึดติดมัน ไปเอาแก้วแหวนเงินทองรูปผัวตัวเมียสัตว์ที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเลยมันไม่เกี่ยวกับชีวิตเราเลยแต่เราไปยึดติดว่าควายกูวัวกูช้างกูเจ้าควายเนี่ยมันก็มันมีเขา แสดงว่าเราเนี่ยชอบเอาเรื่องของเขาเนี่ยมาใส่สมองตัวเองไปนามีเขาที่หัวจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไปเอาความทุกเนี่ยมาทับถมความรู้สึกของเราเองวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ย เราเท่ากับไปมองไปห่วงไปใ ย, ยห่วงบ้านห่วงทรัพย์สมบัติห่วงรูปห่วงสามีภรรยาห่วงแก้วแหวนเงินทองห่วงห่วงกิจการการงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ละความเหนื่อยยากที่จะต้องอาบเหนือต่างน้ำ หนังหนาเป็นวัวเป็นควายเลยวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่เคยสนใจตัวเองไม่ได้เข้าไปดูในใจของตัวเองด้วยสติคื อ, ค, อคือมีความรู้ตัวปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารนักปฏิบัติทั้งหลายเรานี่โง่เป็นวัวเป็นควาย มานั่งหายใจเข้าพุดหายใจออกโทไม่รู้สาเหตุรู้แต่ว่าอารมณ์มันเข้าอารมณ์มันออกการเข้าเนี่ยก็หมายถึงว่าการที่เราไม่มองเห็นหูได้ยินเนี่ยเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเข้ามาที่ใจองค์สมมาสมพุทธเจ้าบอกว่า พูดเนี่ยเป็นผู้รู้เมื่อเราไม่มีสติรู้ตัวรู้ตนเท่าทันต่อสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามองเห็นก็เอามาเก็บไว้ที่ใจได้ยินเรื่องราวคำพูดของคนอื่นก็ทำให้เราเนี่ยเก็บไว้ในใจบางเรื่องเราฟังแล้วก็ปวดร้าวใจไม่สบายใจเลย เห็นไหมเนี่ยคือการเข้าเมื่อเราเห็นแล้วเราไปยึดมัน่นไปยึดถึงความรู้สึกยินดีพอใจล้วไม่ได้ดังใจที่เรานึกรู้สึกมันอึดอัดใจไม่สบายใจเห็นไหมเขา้าอะไรที่มันเข้าไปในใจเนี่ยแล้วมันค้างขาดใจเห็นไหม คำว่าค้างขาใจเมื่อมันค้างขาใจมากขึ้นหลายเรื่องหลายราวมากขึ้นรู้สึก อ, อกจะแตกตายมันอึดอัดใจเห็นไหมการที่เราปฏิบัติไม่มีสติเขาจึงฝึกสติหายใจเข้าพุดพุดแปลว่าผูร้รู้เรารู้แล้วว่าลมหายใจเข้าไป โทรเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานนีเมื่อเราตื่นจากความรู้สึกรู้แล้วว่าอะไรเนี่ยมันเข้าไปในใจเราบ้างที่มันทําให้เราเนี่ยขุ่นเคืองใจเห็นไหมหม่นหมองใจเห็นไหมเราก็ค่อยๆนึกเข้าไปในใจว่าโอ้เนอการขุ่นเคืองใจเนี่ย หม่นหมองใจอึดอัดใจไม่สบายใจเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ที่มันเข้าแล้วไม่ออกเราหายใจเข้าออกอยุดทุกวี่ทุกวันเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกตั้งแต่เราจุติก็คือเกิดขึ้นมากอไก่เนี่ยมันก็เรียกว่าเกิดเกิดเพราะว่ากรรมกรรมเพราะการแก่ เกิดแล้วก็แก่มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับเสื่อมสลายนั่นเองเด็กที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเจริญเติบ โ, โ, โตอยู่ตลอดเวลามันมีการเรียนรู้รับรู้อยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนคนแก่คนแก่เนี่ย ม, มันมีการเสื่อมอยู่ตลอดเวลา ฟันก็หักหนังก็เหี่ยวเด็กฟันมันก็งอหนังมันก็แต่งต่งอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีสติพิจารณาดูด้วยเหตุและผลเนี่ยสมถะสมถะก็คือการพิจารณากายในกายของเราเราเคยพิจารณาตัวเราบ้างหรือเปล่า เราไปคุยว่าเราไปฝึกวิปัสสนามาคำว่าวิปัสสนาเนี่ยเรียกว่าแปลว่าตัวปัญญาล้วนๆปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสังขารเมื่อเรามาฝึกวิปัสสนาเนี่ยมันข้ามชั้นมันข้ามครูบาอาจารย์ไปแล้วครูบาอาจารย์ของเราก็คือใจเรานี่แหละ ความรู้สึกของเรานี่แหละก็คือครูบาอาจารย์เราอะไรคิดแล้วมันเป็นทุกข์ทุกข์มันก็ยึดไม่ได้เราจะคิดไปทำไมความยึดเหนี่ยวการปรุงแต่งความรักความยินดีพอใจในทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองในรูปรูปก็หมายถึงเรือนร่าง รูปร่างมันก็ประกอบด้วยขันห้าก็มีประกอบด้วยาธาตุทั้งห้ า, าธาตุดินก็คือกระดูกเียไปสมถะสมถะก็คือการพิจารณาก็คือการฝึกสติให้รู้ตัวเราเสยก่อนเมื่อเรารู้ตัวเราว่าโอ้ร่างกายเราก็แค่รูปนามที่สมมุติ รูปร่างผู้หญิงผู้ชายชื่อเราก็สมมติพ่อแม่ตั้งให้มาหมอมันเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมาหมอมันยังไม่รู้ชะตากรรมของมันเลยไป้หมอดูคู่หมอเดาหมอดูนี่มันก็ไม่เคยดูตัวเองไม่เคยตรวจชะตาตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองนี่จะมีเคาะห้มคายามร้ายเนี่ย ในขณะเวลาไหนจะเช้าสายบ่ายเย็นมันไม่ได้เป็นสัจจะคือความจริงสั จ, จธรรมก็หมายถึงว่าธรรมก็คือธรรมชาติองค์สมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีสติปัญญาอันบริสุทธิ์ที่คุณไม่มีตัวอิจฉาริษยาไม่มีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ เป็นคนมีเหตุแลวมีมีผลเมื่อรู้เหตุรู้ผลว่าโอ้เนาะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยที่เราเกิดขึ้นเนี่ยตกอยู่ในอบายภูมิของอารมณ์ทั้งนั้นบางคนนั่งเห็นนรกไปนู่นเนีนั่งเห็นนรกปรุงแต่งไปวัานนรกคนกินเหล้าก็จะต้องเอาน้ำร้อนก อ, อกปาก คนมีชู้ก็จะต้องปีนต้นงิ้วโดนหอกโดนหมากันคนโกหกก็จะนอนเข้าปากคนด่าพ่อด่าแม่ปากจะเน่าปากหนอนเอาความจริงมาคุยกันในขณะนี้เนี่ยคนมีความรักก็จะต้องมีความทุกข์ในใจมีความกระยิมยิ้มย่อง มีความสุขปรุงแต่งอยู่ในใจในขณะที่เราคิดเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยก็ไม่เห็นไม่รู้ว่ามันจะคิดตามเราในขณะที่คิดหรือเปล่าทำให้เราเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความวุ่นวายว้าวุ่นใจติดจัดใจไม่สบายใจเกิดปัญหารู้จักว่า เวลานอนก็นอนไม่หลับเวลาที่เราจะคิดทำน่นทำนี่ก็คิดไม่ได้นึกไม่ออกเพราะเอาใจเนี่ยมาฝักใปหมกมุ่นกับความรักความรักความยินดีพอใจเนี่ยเมื่อเราปรารถนาแล้วไม่ได้สมความปรารถนารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบางคนนี่ถึงกับยิงตัวตาย พอตายบางคนถึงก็ฆ่าคนอื่นที่คนที่เราปัตนารักในอันดับแรกลองที่ว่าดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากหูได้ยินตาได้เห็นเนี่ยที่เรามองที่เราได้ยินได้ฟังจากข่าวสารทุกวันเนี้ยเราก็ลองเอามานึกดูในใจเมื่อเราอยากฉลาด อ๋อฉลาดก็คือตัวปัญญาปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสังขารพระพุทธเจ้าก็ให้ใช้อุบายสมถะวิปัสนาสมถะก็คือการพิจารณากายเราก็ค่อยๆพิจารณาว่าโอ้เนาเราเกิดมาเนี่ยก็เพราะว่าพ่อแม่เราเนี่ยเกิดการมตติหาขี่กัน เกิดความกำหนัดมัวเมาโดยที่หูหนวดตามบอดที่ไม่รู้เลยว่าร่างกายของเราเนี่ยเปรียบเหมือนรังของโลกเนี่ยแต่เราไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะมีเหตุมีผลมีปัจจัยคิดได้อย่างนี้หรืออะไรคือรังของโลกคือร่างกาย เราว่าสวยงามเนี่ยมันก็เงอกมันก็ศ ก, กปกโสโครเราเราลงไม่หวีไม่สางไม่ตัดไม่ทำเา้าเราก็เหมือนยาวเป็นกระเซาะกระเซิงดูเหมือนคนบ้าคนป่าเหมือนผีสางปีศาจ ท, ที่มันผมยาวศ ก, กปกโสโครหัวก็มีขี้หัวเห็นไหม เป็นลังของโรคไหมเมื่อเราไม่สะไม่ร้างหัวไม่ร้างผมเราเนี่ยมันก็คันสีษะเกิดเป็นเชื้อราขี้กากขี้เกือนออนี่ไงหลังและเริ่มเป็นลังเริ่มเป็นโรคแล้วค่อยๆมองไปว่ารถจากหนังหัวก็เป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเือ น้ำเลือดเนี่ยมีใครบ้างมีเลือดหอมเหมือนดอกมะลิเลือดมันเหม็นคาวเลือดมันสกปรกเรียกว่าเลือดดํานีต้องอาศัยออกซิเจนเข้าไปฟอกเลือดเอาปอดเอาเข้าไปฟอกเลือดดําให้เป็นเลือดแดงเห็นไหมเมื่อมีบาดแผลก็มีหนองมีเลือดมีน้ําเลือดน้ำหนองไหลออกมา สกปรกโสโครกมากในขณะที่เราเลอะออกมาเนี่ยก็เหม็นแล้วหายรมออกมาเราก็เหม็นแล้วเรากินสัตว์ต่างๆนาน า, นาสัตว์ตัวไหนบ้างที่มันไม่รักชีวิตมันก็เหมือนเราเนี่ยรักพี่รักน้องไม่พอรักตัวรักตนของตัวเองเนี่ยจนลืมสติ สติคือความรู้ตัวไม่ได้ใส่ใจตัวเองเห็นไหมเอาอะไรมาใส่ใจของเราค่อยๆนึกตามไปนักปฏิบัติทั้งหลายเชื่อว่าที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ละเอียดบ้างหยาบบ้างนี่คือการฝึกสติเรามาหายใจเข้าพูดหายใจออกทอยกหนอพองหนอ นภัพทะนโมพุทธายะบ้างถ้าเราไม่มีสติเนี่ยไม่มีความรู้ตัวรู้ตนเราไม่มีปัญญาเนี่ยปัญญาคือกอบรู้ในกองสำขาญเราอวดรู้อวดฉลาดในหลักการวิชาการในการใช้ชีวิตได้เปรียบคนอื่นก็หกคนอื่น ไปลักไปขโมยไปเบียดเบียนความรู้สึกของคนอื่นไปเบียดเบียนธรรมชาติไปเบียดเบียนสิงสาราสัตว์ไปเอาชนะซึ่งกันและกันนี่หรือความเป็นมนุษย์นี่หรือการเกิดของเรานี่หรือมนุษย์แปลว่าสัตว์ประเสริฐนี่หรือความฉลาดที่เป็นด็อกเตอร์ เป็นศาสตราจารย์ดรศาสตราจารย์ก็ยังไม่รู้ตัวรู้ตนแต่องค์สมมาสมพุทธเจ้าเนี่ยได้ ใ, ใช้คําพูดวันนี่คือทิพยจักษุก็คือดวงตาหมอว่าเก่งนักเก่งหนาก็ยังเอาใช้คําของพระพุทธเจ้าไปใช้นีเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้เป็นคนที่อุปมาอุปไมยอุปมาอุปไมยในการใช้ชีวิตให้หาทางออกกับชีวิตก็คือหายใจออกนั่นเองคือตัวปัญญาอะไรที่มันเข้าไปแล้วเนี่ยเรียกว่าเราไม่เข้าใจหายใจออกเป็นร้อยเที่ยวแสนเที่ยวร้านเที่ยวก็ไม่สามารถที่จะรู้สึกเบาใจ สบายใจได้เพราะเราอ่ะไม่เข้าใจตัวเองแต่อยากให้คนอื่นเนี่ยมาเห็นใจตัวเองเข้าไปในใจตัวเองได้อย่างไรใครละจะมารู้ว่าเราเนี่ยต้องการอะไรเห็นไหมเข้าแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าไม่มีคนไหนที่ไหนสอน มาปฏิบัติเรียกว่าวิปัสนาวิปัสสนาก็คือตัวปัญญาปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสังขารเมื่อเราเชี่ยวชาญชาญแปลว่าชินชินในการเข้าแล้วรู้จักระบายออกด้วยปัญญาแต่เราไม่ได้ใช้ปัญญาเลยเราใช้อารมณ์อาก็หมายถึงว่า ถาเรียกกันทั้งนอกก็เรียกว่าน้องพ่อเลยน้องพ่อลมเนี่ยก็หมายถึงว่าเราลองมองที่ว่าเราเนี่ยจับต้องมันได้ไหมลมเนี่ยลมเนี่ยมันมาทิศทางไหนเนี่ยเราเห็นไหมถ้าเราไม่มีใบไม้ที่ถูกพัดหรือร่างกายเนี่ยมีจิตวิญญาณเนี่ยที่สัมผัสมีความรู้ว่า ลมมากระทบตัวเรารู้สึกเย็นในขณะเนี้เรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยมันมีความรู้สึกแค่รับรู้ว่ามันลมกระทบกระทบกายเรียกว่าจิตวิญญาณเพราะนั้นอารมณ์ของคนเราเนี่ยแค่ไปกระทบมองเห็นเท่านั้นเอง เก็บมาไว้ที่ใจเลยไอ้โง่เข้าใจแล้วเข้ามาแล้วเมื่อเข้าแล้วเห็นแล้วยังไม่ชัดเอมันอะไรเนาะนั่นมันตัวอะไรก็คิดไปตั้งห้านาทีสิบนาทีทําไมไม่คิดถึงในอารมณ์ของเราเนี่ยห้านาทีสิบนาทีเนี่ยยิ้มเข้าไว้จะทํำยังไงให้มันรู้สึกว่าเราไม่สนใจอ่ะ คนอื่นเราเมื่อเราไม่ปรงแต่งในอารมณ์ที่ตามมองเห็นหูได้ยินเนี่ยถ้าเราไม่เกิดความรังเรศสงสัยเนี่ยความทิฏฐิมานะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสันดานเราไหมสันดานก็คืออุปนิสัยที่มันหมักหมมเนิ่นนานอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานั่นเอง แม้จะตายเวียนตั้วตายเกิดมาหลายพบหลายชาติสันดอนเนี่ยพอขุดได้สันดอนก็เรียกว่าดอนเนี่ยก็หมายถึงโขดเช่นภูเขาเนี่ยมองเห็นดอนภูเขาเนี่ยมันใหญ่กว่าดอนดอนเนี่ยก็เป็นที่ที่น้ำแห้งน้ำมันไม่ท่วมเราหนีน้ำขึ้นดอนเห็นไหมแต่ไม่ใช่ดอนธรรมดามนุษย์ ดองเรียกว่าหมักดองเนี่ยกักตุนของที่มันกลัวจะเน่าจะเสียเช่นหน่อไม้ดองพักกาดดองเนี่ยเก็บไว้นานไม่ได้หน่อไม้มันจะเหี่ยวแห้งพักกาดในพอตัดออกจากต้นเนี่ยมันก็จะเหี่ยวแห้งไวมนุษย์รู้จักหมักดองเห็นไหมเอามาหมักเอามาดองปลาร้าเนี่ยประจมปลาเจว มนุษย์รู้จักเอามากักเอามาตุนเอามาอุปมาอุปมาอุปไมยใส่เครื่องประยุกเครื่องทำให้มันอยู่กับเรานานเพื่ออะไรเพื่อกักเก็บไว้เอามากินนะเพื่อตัวเองทางนั้นก็รู้แล้วของหมักของดองเนี่ยมันไม่ใช่ของสกของสะอาดนย จะเอามาอุปโภคบริโภคกัดกินเกินเข้าไปบางคนถึงกับแพ้อาหารกลัวมันจะเน่าเก็บไว้นานไม่ได้ใส่สารกันบูดเข้าไปอีกกันบูดกันเสียใส่เกลือทั้งเปรี้ยวทั้งหวานใส่เข้าไปหมักเข้าไปเมื่อหมักเข้าไปมากๆเราก็ไม่เป็นคนฉลาดรู้จักเก็บจักกินจะกกัด จัตุนเอาไว้แต่ไม่ฉลาดในตัวตนของตัวเองก็กำลังปุงยาพิษเนี่เอามาข้ามตัวเราเองอย่างเช่นเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาเดี๋ยวนี้ธรรมชาติมันเหลือน้อยแล้วเราก็ไม่รู้ไอหอยเนี่ยมันเป็นโรคอะไรหรือเปล่าไอหมูหมากาไก่ที่เราเอามากินเนี่ย มันเป็นมะเร็งเส้งแข่งมังหรือเปล่ามันเป็นคีู้ทดกูดถังมังหรือเปล่ามันมีโรคประจาตัวมั้งหรือเปล่ามันมีเลือดเป็นมะเร็งไหมแมันเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาและเป็นโรคติดต่อได้หรือเปล่าก็ทิ่หมอมันมีภ้าวิจารณ์ว่าไข้หวัดนกกินแล้วท้องร่วงตายกินแล้วเป็นบ้า เรียกว่าหมูบ้าหมาบ้าเราเนี่ไม่รู้เลยเมื่อเราไม่รู้เหตุรู้ผลเนี่ยเราลองคิดดูสิว่าเพราะเราไม่มีสติสติมีความรู้ตัวไม่รู้ตนเลยว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารไม่มีเขี้ยวบางคนไม่มีเขี้ยวไปเสริมเขี้ยว ก็จะเป็นหมาไว้กินขีนะ้บางคนไม่มีขนตาก็ต่อขนตางงให้มันยาวเหมือนขนตูดเงี้ยขนตูดนี่ยมันยังกรองอาหารได้ยังป้องกันได้ไอ้ขนรักแร้เนี่ยมันยังป้องกันเชื้อโรคนะกรองความร้อนเหมือนเครื่องนี่ยังมีเครื่องกรองเ็าเรียกว่าเครื่องกรองรักแร้เนี่ยมันอับมาก มันก็มีขนกรองความร้อนออกมาถ้าร้อนออกมาชนเนื้อชนหนังสักทีเดียวมันก็ไม่ระบายความร้อนออกจากร่างกายเราไอ้บางคนบอกแม่มีขนรักแร้เนี่ยดูมันน่าเกียดหน้าชังถอนออกโกนออกเอายามาถูออกความร้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกมาทางทางขุ้มขน อาศัยรูรูก็โดนถอนออกไปแล้วรูก็ตันไปด้วยขี้ขี้ไข่น้ำเงื่อนน้ำไข่เห็นไหมเราลองมาเปรียบเทียบของรถราเนี่ยมันก็มีเครื่องระบายความร้อนถ่ออายหนักถ่ายเบาไอ้อุจจาระเราเนี่ยมันก็แข็งอยู่ในลำไส้ มันก็ดูดซึมความร้อนภายในท้องของเราเนี่ยแล้วพอลัดถ่ายออกมาเนี่ยความร้อนมันก็เคลื่อนออกมาทางอุจจาระของเราความร้อนในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ถ่ายออกมาจากปัสสาวะของเราเราไม่เคยคิดอย่างที่หลวงพ่อคิดมาก่อนไปให้หมอมันแนะนำอ่าเห็นไหม อาการเป็นอย่างไรบ้างป่วอยอะมันดุเราด้วยมีน้ำมูกเจ็บคอขั้นเนื้อขั้นตัวใช่ไหมเพราะโรคเป็นวิจัยมาแล้วว่าเป็นโรคหวัดหมอมันก็จัดให้เลยกินยาไปเจ็ดวันมันก็ไม่รู้ว่าไวรัสตัวเนี้ยมันเป็นตัวไวรัสอะไรหมอมันก็รีบปิดปากปิดจมูกมัน มันก็รีบใส่ถุงมือจับต้องตัวเรามันกลดวติดโรคเพราะมันเป็นรู้รู้ศาสตร์ของความเป็นมนุษย์ทำไมเรารู้ตัวเราไม่ได้เหลอป้องกันอารมณ์ของเราไม่ได้เหลอที่เราจะทุกข์มันไปทำไมจะไปยึดสุขมันไปทาไมแล้วเราเนี่ยจะเอาเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยเอามาเป็นโรคใจเราทำไม เอาให้เราเนี่ยมันป่วยทางใจไปทำไมบางคนหงอยเหงาซึมจนหน้าดำม่านตาตกคุมตาเส็จน้ำตาก็าไหลเหงื่อก็ออกน้ำมูกไหลขากสเสดถุยโดยความร้องไห้เสียใจบางคนยิ้มหัวเราะจนปวดกรามเลยถ้าหัวเราะได้ทั้งวี่ทั้งวันเนี่ย อย่าได้หยุดเลยนี่คือความสุขของเองเหรอว่ารอสามนาทีกูก็หนีแล้วสแสดงว่ามึงบ้านี่วาร้องให้ทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดเลยเหมือนเราเลี้ยงเด็กเราฟังเด็กร้องมันร้องไม่มีเหตุผลร้องทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันไม่ใช่เด็กธรรมดาและมันต้องป่วยแล้วเนี่ยเราคิดปรุงแต่งไปเพราะนั้น การหายใจเข้าวันนี้หลวงพ่อได้บอกแล้วหายใจเข้าเนี่ยต้องหายใจเข้าด้วยปัญญาเมื่อเราหายใจเข้าด้วยปัญญาเนี่ยอะไรที่มันเข้าไปในความรู้สึกในใจเราเนี่ยเราไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่ไม่เอาหมักหมมไม่ในใจเรียกว่าหายใจเข้าด้วยปัญญา หายใจออกด้วยปัญญาเริ่มเข้าใจแล้วเรื่องที่เราเก็บมาเอามายึดไว้ไม่ได้ทุกก็ยึดไม่ได้สุ ก, ก็ยึดไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์ทำไมคลายใจออกซะอย่าไปอึดอัดใจไม่สบายใจอย่าไปเก็บเรื่องนั้นเรื่องนี้ไว้ที่เราถอนหายใจให้รู้สึกสบายใจวันนี้ ไม่มีปัญหาเลยทำงานแน่แสดงว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจในความฉล า, าดของความเป็นอัจฉริยะของความเป็นตัวตนของตัวเราแต่ไปอวดฉล า, าดอวดรู้อวดเห็นอวดได้ยินไอ้นั่นมัง้งไอ้นี่มัง้งฉันไม่รู้ มันเป็นเรื่องของเขาว่าไปนั่นแต่แท้ที่พูดที่คุยเนี่ยมันเรื่องของของคนอื่นทั้งนั้ น, น, นเลยมาอยู่ร่วมกันเนี่ก็ไม่ได้สนใจตัวเองในการหายใจด้วยความฉล า, าดออกเข้าเนี่มันฉล า, าดตลอด24ี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นคนโง่เขาเบาปัญญาได้ยังไงถ้าเรารู้หลัก รักก็หมายถึงว่ามันแน่นหนาก็คือสติเมื่อเรามีสติรู้ตัวรู้ตนแล้วมาศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าจากสาวกของพระพุทธเจ้าก็คือหลวงพ่อได้เรียนรู้จากกรักธรรมของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่านี่คือกิเลสกิเลสเนี่ยมันทำเป็นเครื่องทำให้เราเนี่ยเศร้าหมอง ก็คือความโลภก็คือโลภอยากได้ของทรัพย์ภายนอกที่ไม่สามารถที่จะเอาไปได้ตัดใจไม่ได้สแสวงหาตลอดเอาเข้าหายใจเข้าก็ความโง่เอาควายเข้าไปเรื่องของเขาไงเหมือนเรากินปลาเนี่ยไม่แกะกั้งก็ติดคอทําไมเราเลือกเอาแต่เนื้อทําไมไม่กินแต่กระดูก หมามึงโง่นักเสือกเป็นหมาแดกก้างไปนี <c oughs> ่หรือมนุษย์ฉลาดเก่งเก่งกล้าแข็งเหมือนเหล็กกล้าฉลาดต้องฉลาดกว่าผัวกูจะต้องเก่งกว่าผัวเมียจะต้องเก่งกว่าผัวจะต้องเก่งกว่ากูจะต้องเก่งกว่าฉลาดกว่าพี่กว่าน้องฉลาดกว่าพี่กว่าน้องไม่พอ แม่ขัดเกาอบรมสั่งสอนตั้งแต่เด็กไอ้ที่มึงไม่รู้ภาษาเลยอะ่ะน้ำร้อนก็ไม่รู้น้ำเย็นก็ไม่รู้สูงต่ำดำเที่ยวผิวขาวสวยหรอหมวยเกี้ยวหาอะไรมึงไม่รู้เลยออกมาก็ไม่มีเสื้อผ้าแล้วพ่อแม่ก็สั่งสอนมาพอรู้หน่อยโตหน่อยสอนพ่อสอนแม่ด่าพ่อด่าแม่ พ่อโกรธแม่ตัดพ่อตัดแม่โอ้โหมันเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกลองนึกถึงใจตัวเองสิว่าเรามีกิริยามารยาทมีความรู้สึกที่อย่างลุงพ่อบอกไหมมองเข้าไปในใจรู้สึกขยะกขยแยงใจเออเราเถียงพ่อเถียงแม่ได้อย่างไรเราโกรธผู้มีพระคุณต่อชีวิตเรายิ่งใหญ่ใหญ่มากยิ่งกว่าภูเขาได้อย่างไร เราเกียจชังอิจชาริษยาไม่เข้าใจพ่อไม่เข้าใจแม่อยู่มาตั้งแต่ยังไม่รู้ภาษาจนรู้ภาษาแล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ได้อย่างไรแถมไม่เข้าใจพ่อเข้าใจแม่อีกแต่พ่อแม่เนี่เข้าใจรูปรู้สึกเลยลูกคนนี้ไม่ชอบอย่างนั้นรูปนี้มีอุปนิสัยอย่างนี้รู้กระทั้งว่าลูกเนี่ยชอบ ทานอาหารอะไรชอบรถแบบไหนพ่อแม่จะต้องปรุงแต่งให้กับลูกเพราะว่ากลัวลูกจะทานข้าวไม่ได้ไม่จเจริญอาหารเดี๋ยวจะไม่โตเดี๋ยวจะไม่แข็งแรงจะไม่สมบูรณ์ทําแล้วเดี๋ยวลูกจะไม่ทานทําอย่างไรล่ะจะให้ลูกรักให้ลูกเป็นคนดีโอ้หสุดจะพันลนาเลยคนที่เป็นพ่อแม่ แล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยหนึ่งชีวิตก็รู้อยู่แล้วไม่ได้อะไรเรายิ่งโตเท่าไหร่พ่อแม่ก็ยิ่งเหี่ยวไปเท่านั้นฟันเรายิ่งแน่นหนาเท่าไหร่พ่อแม่ก็ต้องยอกคลฟันก็โยกคอนไปเท่านั้นเรายิ่งแข็งเท่าไหร่ร่างกายแข็งแรงมากเท่าไหร่พ่อแม่ก็อ่อนร้าลงเท่านั้นมันแรกกันเลยเปลี่ยนกายเลย เพียงแต่เหมันคนละคนกันเท่านั้นเองเห็นไหมการปฏิบัติธรรมบอกฟังหลักทำด้วยเหตุและผลแค่สติรู้ตัวเรายังไม่รู้ตัวพอได้ฟังหลวงพอ่อรู้สึกมันรู้ขึ้นหายใจเข้ารู้ขึ้นหายใจออกในมันรู้ด้วยว่าหายใจอย่างไรให้เกิดปัญญาอยากเกิดแต่หนุ่มจีนไม่มีน้ําหยา ยอย่า ก, กินกินเข้าไปอย่างเดียวแล้วไม่ถ่ายออกก็อึดอัดตายท้องอึดตายแค่เรากินให้เห็นเนี่ยของหยับๆยบกัดเคี้ยวอยู่ในปากเนี่ยรู้รสรู้ชาติกินเข้าไปในท้องเนี่ ย, ยแค่ถ่ายออกมาเนี่ยหรือไม่ถ่ายเนี่ยก็โอ้โหเกิดอาการต่างๆนาน า, นาและเราในกืนลมความรู้สึกสมมติเนี่ย แค่มีอารมณ์ที่เห็นนะตาที่เห็นหูได้ยินอารมณ์ปรุงแต่งคิดเนี่ยเข้าไปใน ใ, นใจเนี่ยใจมันขี้ออกมาได้ไหมไอ้ใจเขาเรียกขี้ใจเกิดมาก็ไม่เคยได้ยิ น, นยมีแต่อีขี้ก้นขี้ทวารไม่กล้าพูดคำหยาบเผื่อใครอัดเทปไว้ เดียคนอื่นฟังแมมหามว่าลุงพ่อเนี่ยพูดไพเราะไม่เป็นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายวันนี้สอนให้หายใจเข้าฉลาดหายใจออกฉลาดไม่ใจหายใจด้วยความเอาวัวเอาควายเข้าไปเอาสิงสาราสัตว์เอาความทิฐิมานะถือตัวถือ ต, ตนเข้าไปในใจทำให้เราเน่นหนัก ใจอึดอัดใจไม่สบายใจถ้าอยากโง่ก็เก็บไว้ในใจหายใจงโง่โงเดี๋ยววันหลังหลวงพ่อเห็นว่าเอ๊ะมึงหายใจเข้าออกทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยมึงหายใจด้วยงโง่หรือว่าฉลาดคนไหนพอเกิดอาการต่างๆนานาบอกว่านี่แสดงว่าเกิดมาเนี่ยหายใจด้วยความ ไม่รู้ตัวรู้ตนเนี่ยก็คือคนโง่เอาละเชา้ชาๆอย่างนี้จะขาดว่านักปฏิบัติทั้งหลายเริ่มเข้าใจและเริ่มมีสติหายใจเข้าออกเนี่ยเริ่มมีกำไรบ้างเพราะเรารู้ทางมีคนชี้ทางให้แหละก็ขอจเจริญพรแล้วก็อนุโมทนาคอ่คอยจะได้กระกวดน้ำ